เรื่องโลกสีเขียวของเศรษฐีค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเรียบเรียงจากเรื่องการพัฒนาศักยภาพอย่างสมบูรณ์ของดรอาดองค์ชุมสายนักอายุทยาค่ะ เรื่องมีดังนี้ค่ะการละครหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีเจ้าอารมณ์คนหนึ่งเขามักจะปวดศรีรษะอย่างทรมานเป็นประจำทุกวันเขาได้ไปหาหมอกี่คนกี่คนก็รักษาไม่หายวันหนึ่งเขาไปพบฤาษีตนหนึ่งเศรษฐีก็เล่าอาการปวดหัวให้ฤาษีฟัง ฤศีก็ตอบว่าง่ายนิดเดียวเพียงแต่ท่านมองทุกอย่างให้เป็นสีเขียวเท่านั้นอาการปวดหัวของท่านก็จะหายไปทันทีเศรษฐีเชื่อฤสีค่ะเขาจ้างช่างทาสีหลายร้อยคนมาทาสีบ้านทั้งหมด ให้เป็นสีเขียวแล้วเขาก็เปลี่ยนถ้วยชามเสื้อผ้าและรถยนต์ให้เป็นสีเขียวทั้งหมดด้วยค่ะเศรษฐีหายปวดหัวได้จริงตามคําของลือสีค่ะแต่เวลาเขาออกไปนอกบ้านออกไม่ได้ค่ะเพราะหลังคาบ้านอื่นยังเป็นสีแดงอยู่เศรษฐีก็ เตรียมเบิกเงินเพื่อซื้อเสื้อผ้าสีเขียวแจกให้คนทั้งหมู่บ้านและเปลี่ยนกระเบื้องมุมหลังคาของบ้านทุกหลังในหมู่บ้านนั้นจากสีแดงให้เป็นสีเขียวทั้งหมดเพื่อเขาจะได้นั่งรถพาหมู่บ้านไปได้โดยไม่ปวดหัวค่ะ หนึ่งเดือนต่อมาฤาษีนุ่งหนังเสือจะเข้าไปเยี่ยมเศรษฐีที่บ้านแต่ปรากฏว่ายามรักษาความปลอดภัยไม่ยอมให้เข้าเพราะหนังเสือที่ฤาษีนุ่งมีสีเหลืองสลับลายดำยามก็ใช้วิทยุสื่อสารเรียกช่างทาสีมา เพื่อจะทาสีหนังเสือของฤาษีให้เป็นสีเขียวก่อนค่ะจึงจะยอมให้เข้าไปพบเศรษฐีในบ้านได้แต่ฤาษีไม่ยอมให้ทาสีหนังเสือค่ะโดยวิ่งหนีลัดและเข้าไปจนไปพบเศรษฐีนั่งอยู่ภายในบ้าน ฤๅษีก็กล่าวตำหนิเศรษฐีว่าทำไมอ่ะทำไมท่านจึงสร้างความยุ่งเหยิงให้คนทั้งหมู่บ้านเพื่อเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นสีเขียวเล่าเพียงท่านใส่แว่นตาสีเขียวคนเดียวเท่านั้นท่านก็จะมองเห็นทุกอย่างเป็นสีเขียวไปเองฤๅษีสอนว่า การที่จะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวนั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคนทุกคนหรือของทุกสิ่งเพียงแต่เราจัดการเปลี่ยนแปลงตัวของเราก่อนเท่านั้นเราก็จะพบว่าสิ่งอื่นๆก็จะปรับตัวตามไปด้วยกัน ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเรียบเรียงจากเรื่องการพัฒนาศั ก, กยภาพอย่างสมบูรณ์ของดออรอาดองค์ชุมสายนักอายุทยาค่ะ